บทภาชนีติกะปาจิตตี240รีของที่ไม่เป็นเดนภิกษุสำคัญว่าเป็นของที่ไม่เป็นเด่นเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องอบัตตปาจิตตีของที่ไม่เป็นเดนภิกษุไม่แน่ใจเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องอบัตตปาจิตตีของที่ไม่เป็นเดนภิกษุสำคัญว่าเป็นของที่เป็นเดนเคี้ยวของเคี้ยวหรือชั้นของฉันต้องอบัตปาจิตตีติกะทุกกฏ ภิกษุรับประเคนยามากาลิกสัตตาหากาลิกยาว่ชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกทุกๆคำกลืนของที่เป็นเดนภิกษุสำคัญว่าเป็นของที่ไม่เป็นเดนต้องอบัตทุกกของที่เป็นเดนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎของที่เป็นเดนภิกษุสำคัญว่าเป็นของที่เป็นเดนไม่ต้องอบัต